พระสูตรว่าด้วยเรื่องการจำแนกอริยสัจ ท, ทั้งสบาลีข้อ371เป็นต้นไปในบาลีข้อ371พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ประกาศอันไวเอาไวแล้วที่ปาอิสิปัตนะมิทายะใกล้เมืองพาราณสีซึ่งเป็นอริยสัจ ท, ทั้งสที่ สมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีเทวดามารพรหรือว่าใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้จะแปลเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้พระองค์ก็ได้รับรองถึงธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ได้ประกาศเอาไว้แล้วแล้วก็ได้กล่าวถึงคุณของพระเถระสองรูปในที่นี้ก็คือท่านพระสารีบุตรกับท่านโมกขลานะให้ภิกษทุทั้งหลายนั้น เสพแล้วก็คบหาเข้าไปใกล้เข้าไปฟังท่านพระสารีบุตรกับท่านโมคขลานะเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีพระสารีบุตรเหมือนผู้ที่ทําให้เกิดส่วนพระโมคขลานะนั้นเหมือนกับผู้ที่ดูแลคนที่เกิดแล้วพระสารีบุตรแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลส่วนพระโมกขลานะนั้น แนะนำในผลเบื้องสูงขึ้นไปพระสาริบุตรเป็นผู้ที่สามารถจำแนกอริยสัจ ท, ทั้งสี่สามารถบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายๆโดยพิสดารได้พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็เข้าไปสู่วิหารนะครับต่อไปก็บาลีข้อ372อ่านพร้อมกันนะครับ ตัตระโขอายัสมาสารีปุตโตอาจิระปักกันตัสสะภะควโตภิกขูอามันเตสิอาวุโสภิกเวติอาวุโสติโขเตภิกขูอายัสมะโตสารีปุตตัสสะปัจจโสสุง อายัสมาสารีปุตโตเอตัโดวจะจักตัตระโขอายัสมาสารีปุตโตอาจิระปักกันตัสะภควะโตพิกขูอามันเตสิในที่นั้นแลหลังจากพระผู้มีพระภาคหลีกไปไม่นานนักท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสพิกเว ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็คือเรียกภิกษุทั้งหลายนั่นแหละว่าท่านผู้มีอายุนะเป็นเพื่อนภิกษุกันภิกษุทั้งหลายก็รับคำท่านภาษารียบุตรอาวุโสติโขเตภิกขูอายสมะโตสารีปุตตะปัจจัโสสุงรับคำว่าอาวุโสครับท่านผู้มีอายุอายะสมะสารีปุตโตเอตนโวจ ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวดังต่อไปนี้ในหน้าที่สองเป็นต้นไปก็เป็นคําของท่านพระสารีบุตรกล่าวซึ่งท่านก็ได้ยกคําของพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสไว้ตั้งแต่ตนต้นนั้นแหละมากล่าวซ้ําอีกทีหนึ่งก็คือคําที่บอกว่าพระธรรมมาจากอันยอดเยี่ยมอันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้แล้วที่ป่าอิสิปตนะมิคทายะ เมืองพาราณสีซึ่งสมณะก็ดีพราหมกก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีหรือว่าใครๆในโลกก็ดีไม่สามารถจะคัดค้านได้ซึ่งอันนั้นก็ได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้ง่ายๆซึ่งอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการอันนี้นะครับท่านภรษาริบุตรก็ นำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขยายความอริยสัจ ท, ทั้งสี่โดยพิสดารต่อไปในบาลีข้อ373นะครับอ่านพร้อมกันนะครับกตมันจาวุโสดุก ข, ขังอริยสัจจังชาติปิลุกขาชาราปิดุกขามะระนำปิทุก ข, ขัง โสกะปริเดวดุคขะโดมนัสสุปายาสาปิุคขายัมปิดฉังนาลาปฏิตามปิุคขังสังขิเตนะปัญจุปาดานขันธาุคขะกะาการตมนจาวุโสุคขังอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกขาอริยสัจเป็นชน อริยสัจกล่าวคือทุกนี้เป็นไนทุกทุกนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนไรแกนสารสาระอันแทจ้จริงไรความหมายของความเป็นตัวเป็นตนนะครับไม่ไม่มีความหมายหรือว่าไม่มีความที่มีลักษณะของคํำว่าเที่ยงไม่เที่ยงสุขอันแท้จริงก็ไม่มี เป็นตัวเป็นตนแท้จริงก็ไม่มีอันนี้ท่านเรียกว่าตัวทุกตัวที่มันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเป็นตัวที่ต้องบริหารเป็นตัวภาระที่ต้องจัดการต้องดูแลให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ตัวที่จะมาเอานะเพราะว่าเอาเมื่อไหร่มันก็หนักเมื่อนั้นขนาดไม่เอายังหนักเลยใช่ท่านจึงว่าตัวขันห้าหรือว่าตัวทุกนี้มันเป็นภาระนะตัวภาระ ไม่ใช่ตัวสาระนะแต่เรานี่เห็นมันเป็นสาระแก่นสารอยู่ใช่ไหมแต่ว่าโดยแท้จริงมันเป็นตัวทุกหมายถึงตัวภาระตัวของหนักตัวที่มันปราศจากตัวตนปราศจากของเที่ยงปราศจากของที่มันสุขอันทาวรปราศจากตัวตนอันแท้จริงเลยเรียกว่าตัวทุกนะครับนี่นะท่านภาษารีบุตรก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ อริยสัจ ท, ที่ว่าทุกข์เนี่ยกล่าวคือทุกนี้เป็นไนาชาติปิทุกขาการเกิดนั้นอนะ่ะเป็นทุกนะชาติปิการเกิดตัวการเกิดตัวกระบวนการเกิดตัวที่เกิดมานะเป็นตัวทุกขไม่ใช่เกี่ยวกับสัตว์บุคคลตัวตนอะไรทั้งนั้นแหละนะเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นของ บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงปราศจากแก่นสารสาระไม่มีเรื่องตัวตนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวทุกข์แต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเรานั้นไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมเราก็มองเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรู้ว่ารู้สึกว่าเกิดขึ้นมาก็รู้สึกได้มาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการเกิดนี้โดยแท้จริงเป็นทุกข์นะเป็นภาระเป็นของหนักชาราปิทุกขา ความแก่ก็เป็นทุกข์มะรณมปิดุก ข, ขังการตายก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นของไร้ตัวตนปราศจากก่นสารโสกปริเตวะทุก ข, ขะโดมณัสสุปายาสาปิทุก ข, ขาแม้โสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสก็เป็นทุกข์เป็นของที่ เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันปราศจากแก่นสารตัวตนอันแท้จริงคําว่าปราศจากแก่นสารเนี่ยหมายถึงว่ามันปราศจากสิ่งที่มีตัวตนอันแท้จริงหรือว่าตัว ต, วตนที่เที่ยงแท้อยู่ได้อย่างเดียวๆ เ, เกิดได้ด้วยตัวมันเองอะไรพวกนี้คงรู้จักตัวแก่นสารใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราจะทอบหาแก่นสารอยู่เรื่อยนะอย่างเช่นเออแก่นของเสามันมีอยู่ไหมเอาอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มีใช่ไหมเพราะว่า แต่ละส่วนแต่ละส่วนมันก็ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่มากมายเหลือเกินนะเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดก็ล้วนจากเกิดจากเหตุปัจจัยอีกอย่างนี้ทุกอันทุกอันก็ไม่มีแก่นสารเลยสักอันเดียวนะี่เหมือนกับแขนเราเราอาจจะเห็นว่าเป็นแขนเราเป็นแท่งอยู่งี้แต่แขนเรานี่มันเกิดจากอะไรบ้างโอ้ลองไปไล่ดูสิแก่นสารไม่มีจริงเลยมีแต่ของมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะ เหมือนน้าที่มันไหลไปเรื่อยๆนี่อันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่มันปราศจากแก่นสารเดียวๆหรือว่าเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นจังอย่างเที่ยงแท้ฉะนั้นคนตัวเราตัวเรานี่คนเดิมมันจึงไม่มีจริงนีเราเมื่อคือนนี้มันก็ตายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เป็นคนใหม่ฉะนั้นเราเจอกันสองครั้งได้ไหมเจอกันไม่ได้ตาคนละตาแล้วเห็นคนละเห็นแล้วหูคนละหูแล้วคิดคนละคิดแล้ว นะแต่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นสาระเลยเกินใช่ไหมมีตัวอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นผิดนะเหมือนเราลงน้ําเนี่ยลงน้ําที่เดียวกันสองครั้งได้ไหมไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะแต่เราคงจะรู้สึกโอ้ไปที่เดียวอยู่นั่น น, นะบางคนเป็นปีแล้วยังอ้าวไปที่เดิมนะเคยรักกันแรกๆอ้าวไปลําลึกหน่อยวาเลนไทน์แล้วก็ว่าไปพวกนี้มันก็เพ้อฝันไปเรื่อยนะ แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอันไหนที่เป็นแก่นสารสาระอย่างนั้นหรอกในบรรดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีแต่ของดับไปทั้งนั้นนะมีเกิดมีดับมีแต่ของที่เป็นทุกข์เป็นภาระอย่างนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะคือสิ่งที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุ ป, ปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงมาจากเหตุ ป, ปัจจัยต่อๆกันมา อย่างนี้ไม่มีอันไหนมันเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหมือนตัวเรานี้ก็เหมือนกันก็เรียกว่าตัวทุกข์เหมือนกันนะครับยำปิดฉังนราปฏิตำปิทุก ข, ขังการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นปกติเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอย่างนั้นหรือว่าจะใช้คําเมื่อกี้มากล่าวถึงก็ได้คือมันเป็นอย่างนั้นของมัน เพราะมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะใช้คําพูดนะเพื่อสื่อให้เข้าใจเพราะว่าพอพูดถึงคําว่าทุกปั๊บท่านก็อาจจะหมายถึงเครียดอะไรไปแต่ที่จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งคือมันไม่ได้อยู่นานไม่ได้มีแก่นสารตัวตนอะไรแต่เดิมมันไม่มีมันก็มามีขึ้นเกิดจากเหตุหลากหลายสักหน่อยมันก็ไปเหมือนกันไม่เครียดมันก็ทุกเหมือนกันอีกนั่นแหละสุขมันก็คือทุกเหมือนกันทุกมันก็คือทุกเหมือนกันแม้แต่เเเฉยยมมััันนนนกกก็็งปทุหหือและ แม้ได้มามันก็เป็นทุกข์แม้เสียไปมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นบางทีใช้คำว่าทุกข์แล้วท่านอาจจะตีความในความหมายภาษาไทยมากเกินไปเราก็าอาจจะใช้คำอื่นที่มันช่วยให้เข้าใจขึ้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่โดยสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจมาดานขันธาทุกขา โดยสรุปแล้วขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นตัวทุกข์คือกายกับใจของเราทั้งหลายนั่นเองที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระเป็นตัวที่มันไม่เที่ยงเป็นของบีบคั้นและเป็นของปราศจาก อัตตาตัวตนปราศจากแก่นสารนี่เรียกว่าทุกข์นะครับอันนี้ว่าโดยย่อนะครับต่อมาก็จะขยายความให้พิสดารออกไปอีกจะได้เข้าใจว่าคําว่าชาติที่ว่าเป็นทุกข์นี้คืออะไรชาราที่ว่าเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเป็นปกติของมันเนี่ยคืออะไรมรณะนี้คืออะไรนะก็ ขยายความแต่ละอันแต่ละอันไปเดี๋ยวเราอ่านชาติชรามรณะพร้อมกันก่อนนะครับกัตามาจาวุโสชาติยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตตัมหิสัตตนิกาเยชาติสัญชาติโอกันติอภินิพัติขันทานังปาตุภาโว อายตนาหนังปติลาโภอยังวุจตาวุโสชาติกตมาจาวุโสชรายาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตตัมหิสัตตนิกาเยชราชีรณตาขันฑิจังปาลิตจังวลิตตจตา อายุโนสังหานิอินทริยานังปริปาโกอายังวุจตาวุโสชาลากาตมัญจาวุโสมรณังยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหาตัมหาสัตตนิกายาจุติจวนาตาเพโด อันตรทานังมัจจุมารนังกาลกิริยาขันทานังเพโดกาเลวรั ส, สะนิเคปโปชีวิตินดริยสสอุปัเฉโดอิดังวุจตาวุโสมรนังต่อไปท่านพระสารีบุตรก็ขยายความ กตมาจาวุโสชาติดูก่อนท่านผู้มีอายุชาติเป็นไฉไหนาชาติชาติการเกิดยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตตัมหิสัตตานิกายชาติคือการเกิดของเหล่าสัตว์นั้นๆในสัตตานิกายนั้นๆนะการเกิดของสัตว์นั้นๆเกิดเป็นหมาเกิดเป็นแงวเป็นโคเป็นวัว เ ป, เป็นมดเป็นแมลงเป็นคนเป็นเทวดานะการเกิดของสัตวนะ์ที่มันแต่เดิมไม่มีมันแล้วผุดขึ้นมานะอย่างเราเนี่แต่เดิมไม่มีเราอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมวันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมาในท้องแม่อย่างนี้เรียกว่าเกิดนะการเกิดในสัตว์นิกายนี้คือในความเป็นมนุษย์นี้พวกสัตว์อื่นๆก็ทานองเดียวกันแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมาโผล่ขึ้นมานี้เรียกว่าการเกิดนะใน สัตตานิกายนั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆสัตว์ก็ทุกๆชนิดนั่นแหละตั้งแต่สัตว์อบายมนุษย์เทวดาแล้วก็พวกพรหมฉันทาติการเกิดเป็นตัวขึ้นมานะก็รูปก่อร่างขึ้นมาเหมือนเราเป็นคนอย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดโอกันติการอย่างลงอย่างลงสู่คันของแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดอภินิพติการผุดขึ้นผุดขึ้นมาก็เรียกว่าการเกิดเหมือนกัน บางคนบางสัตว์นั้นไม่ใช้วิธีอย่างลงในท้องแม่ผุดขึ้นมาเลยก็มีนะพวกเทวดาหรือว่าพวกสัตว์อบายพวกเปลืพวกอะไรนี้เขาผุดเป็นตัวขึ้นมาได้เลยนี้ก็เรียกว่าการเกิดอันนี้ก็พูดถึงแบบเป็น ช, ชาติชาติหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ในแง่มุมของสมมติบัญญัติเราก็ได้แต่ว่าเบื้องหลังของมันคือการเกิดแต่เดิมไม่มีมันแล้วมันก็มามีขึ้นเบื้องหลังของมันนะ ฉนันเราต้องมองให้เห็นว่าทําไมจึงมีสัตว์นั้นขึ้นมาได้เพราะมีการเกิดการเกิดมันไม่เที่ยงจังไ น, นมันก็แก่ไปตายไปตายมันไม่เที่ยงจึงมีการเกิดนี่อย่างนี้มองให้เห็นเบื้องหลังของสิ่งนั้นๆนะครับไม่ใช่มองไปติดอยู่แค่อันนั้นนะถ้ามองไปติดอยู่แค่อ น, นั้นเราก็จะไม่เห็นความจริงไม่เห็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดสิ่งที่ทําให้มันเกิดก็คือกฎกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาตินะ เหมือนทำไมเสียงมันจึงดังผมพูดไปแล้วทำไมเสียงมันดังเราอาจจะมาหยุดอยู่แค่โอ้มีไมโครโฟนเสียงมันเลยดังอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีกฎไม่มีกฎอันเป็นธรรมชาติทําไม่ถูกกฎมันจะมีเสียงดังไหมไม่มีนะฉะนั้นเบื้องหลังของมันคือกฎนะทําไมตึกมันถึงถูกสร้างขึ้นมาได้เพราะมันไม่เที่ยงมันถึงสร้างได้ใช่ไหมถ้ามันไม่มีกฎนี้มันจะสร้างได้ไหม โอ้สร้างไม่ได้แต่เราเนี่ยมองไปเอาหยุดแค่ตึกโอ้ใครเป็นคนสร้างใครมีเงินหยุดอยู่เท่านั้นแหละวนเวียนไปแล้วนะครับแท้ที่จริงถ้าไม่มีกฎมันก็ไม่มีคนหรอกไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีเรื่องใครมีใครไม่มีไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเบื้องหลังอันแท้จริงทุกคนก็เสมอเหมือนกันหมดคือเป็นตัวทุกข์ที่เกิดมาจากกฎเท่านั้นแหละนี่ฉะนั้นมันจึงเท่ากันนะครับ อย่างนี้นะงนั้นการเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อบายเกิดคนเกิดเทวดาเกิดหรือว่าพรมเกิดมันก็เป็นตัวทุกเหมือนเหมือนกันนี่พอเข้าใจไหมไรตัวตนเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวสุกอันแท้จริงไม่มีแก่นสารสาระเหมือนเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้าเราไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้เราอาจจะไม่ชอบเกิดแบบนี้ชอบเกิดแบบเทวดาใช่ไหม ชอบเกิดแบบพรมไปอีกอะไรไปอีกมันก็ยังวนเวียนกันต่อไปเดี๋ยวว่ายังไม่รู้ทุกนะครับนี่นอกจากจะมองในแง่มุมของเป็นสัตว์เป็นตัวบุคคลให้เห็นเบื้องหลังว่าอ้าวทำไมจึงมีสิ่งเหล่านั้นมาก็เพราะการเกิดทำให้มีสิ่งนั้นขึ้นก็เอาละเอียดขึ้นมาอีกก็ได้ขันทานังปาตุพาโวการปรากฏขึ้นของขันนี่การปรากฏขึ้นของขันทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลาย รูปเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณอันนี้การปรากฏตัวขึ้นของขันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าชาติเหมือนกันนะการปรากฏตัวขึ้นของขันอันพร้อมที่จะเป็นทุกข์เป็นขันชนิดที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันนี้ก็เป็นชาติหนึ่งชาติหรือว่าการปรากฏตัวของขันในชนิดที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นคนดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาติเป็นตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมา ชันขันของเรานี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วแต่จะเป็นขันชนิดไหนชนิดไหนมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเป็นขันชนิดที่พร้อมจะเป็นทุกข์เยอะพร้อมจะเป็นทุกข์น้อยหรือไม่เป็นทุกข์เลยก็ยังได้อันนี้ก็เรียกว่าชาติเหมือนกันนะครับขันทานางปาตุภาโวการปรากฏขึ้นของขันอายตนานางปฏิลาโภการได้อายตนาอายางวุจตาวุโสชาติ การได้อายตนะได้การกระทบอารมณ์ตาไปมองเห็นรูปอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าชาติได้เหมือนกันหูได้ฟังเสียงอันนี้ก็เรียกว่าชาติได้เหมือนกันใจไปรับรู้เรื่องทางใจก็เกิดเป็นชาติเป็นชาติได้เหมือนกันอย่างนี้นะอายังวุจตาบุโสชาติดูก่อนท่านผู้มีอายุอย่างนี้เรียกว่าชาตินะครับ ด น, นชาตินี้จะมองเป็นแบบบัญญัติบัญญัติที่เรามองเห็นเป็นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้เป็นคนเป็นเทวดาแล้วมองให้ทะลุไปเบื้องหลังว่าแท้ที่จริงที่มีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาได้ <ๆ S 1> เพราะว่ามีการเกิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามองให้เห็นถึงการปรากฏขึ้นของขันอย่างนี้ก็เรียกว่าชาติเหมือนกันมองให้เห็นถึงการได้อายตนะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสรับรู้ทางกายได้คิดได้นึกทางใจ อันนี้ก็เรียกว่าชาติเหมือนกันนะถ้าไม่มีการรับรู้ทางเหล่านี้ท่านจะรู้ทุกว่ามีตัวท่านไหมไม่รู้สึกเลยแต่เมื่อใดได้อาจัตนะมาตื่นขึ้นมาตาไปมองเห็นรู้สึกมีเราขึ้นมาคนหนึ่งไหมเอาแล้วมีเราขึ้นมาคนหนึ่งนะฉะนั้นไปเห็นอีกคนหนึ่งมีเราขึ้นอีกตัวไหมมีอีกตัวแล้วไปเห็นอีกคนนึงมีเราอีกตัวแล้วนี่การได้อาจัตนะมันก็เป็นชาติแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันมานี่เห็นไหม ถ้าไม่มีอายตนะอันนี้เกิดขึ้นก็ et, จะไม่รู้สึกว่ามีเราตัวนี้เกิดขึ้นนะอย่างสมมุติท่านมาเห็นเห็นผมผมก็กลายเป็นผู้บรรยายธรรมท่านก็รู้สึกว่าโ อ, uffy, เอ้เรานี่เป็นนักเรียนอย่างนี้ไปอีกเห็นไหมก็การได้อายตนะแต่ละอายตนะแต่ละอายตนะก็เกิดความรู้สึกว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเราอันนั้นอันนี้ได้การได้อายตนะมันจึงเป็นชาติท่านนอนหลับนะี่ท่านจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเลย พอตามาเห็นหูไปได้ยินเข้าเป็นไงเออยังมีเราโผล่ขึ้นมาอ่นี้นั่นเห็นไหมการได้อาณาตนะมันจึงเกิดความรู้สึกว่ามีเรามีนั่นมีนี่ได้นะไม่เห็นจริงก็ได้นอนฝันก็ยังมีเราเห็นไหมก็ก็เป็นทางใจนะครับนี่เห็นไหมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับดูแบบหยา บ, บก็ได้ดูแบบละเอียดละเอียดก็ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งมันเกิดมาเหมือนๆกัน คือมันเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงไร้สาระเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะต่อมาชรากตมาจาวุโสชราดูก่อนท่านผู้มีอายุชราเป็นชไชน์ยาเตสังเตสังสัตาตานังตัมหิตตัมหิสัตตนิกายเย ช, ชราความชราคล่ำคล่าของเหล่าสัตว์นั้นๆในสัตตนิกายนั้นๆสัตว์ทั้งหลายนะ หมาแมวกาไก่วัวควายคนเทวดาพรหมในสัตวนิกายนั้นๆในอบายก็ดีในมนุษย์ก็ดีในเทวดาก็ดีในพรหมก็ดีล้วนมีความชราอยู่ชีรณตาภาวะที่ชราคล่ำคล่าขันฤิจังฟันหลุดปาลิธจังผมหง วลิตะตะตาเนื้อหนังเหี่ยวย่นนี่นะครับฉะนั้นอันนี้ก็พูดให้เรามองเห็นแบบหยาบหาบก็ได้แต่ว่าเบื้องหลังของมันคือชราถ้าไม่มีชรานี้จะมีฟันหลุดไหมมันก็ไม่มีอาการฟันหลุดขึ้นถ้าไม่มีชราก็ไม่มีอาการผมหงอกขึ้นถ้าไม่มีชรามันก็ไม่มีเรื่องหนังเหี่ยวย่นขึ้นถ้าไม่มีชราเลยนี่นะเราก็คงจะหนุ่มตลอดเลยใช่ไหมเออ แต่มันมีชารานะทุกสิ่งมันล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ของมันอายุโนสังหาน้ความเสื่อมของอายุนะครับอายุไม่มีเจริญนะมีแต่เสื่อมนะอายุความเสื่อมของอายุอันนี้ก็เป็นชาราอายุคือความเป็นอยู่เมื่อเป็นอยู่มันก็มีเกิดเกิดแล้วก็เสื่อมตอนที่เสื่อมของอายุนะ เป็นชราอินเดริยานังปริปาโก ο, ความแก่ไปของอินทรีย์อินสีเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจอวัยวะต่างๆมันก็จะมีความแก่ตัวของมันไปเรื่อยๆนะจึงท่านก็เวลาแก่ไปท่านก็จะเริ่มเห็นอาการของมันออกมาว่าตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีการเดินการนั่งอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้เรียก ว, ว่า ปริปากโกก็คือมันแก่ไปแล้วเหมือนต้นไม้มันแก่มันก็ไม่ยืดหยุนใช่ไหมหักหน่อยเดียวกับโปะเลยนะคนก็เหมือนกันนะฉะนั้นอย่าไปกระดูกหักตอนแก่ก็แล้วกันนะนะหักแล้วต่อยากไม่เหมือนเด็กๆนะครับอันนี้เป็นอาการของความแก่ที่มันปรากฏอาการชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะซึ่งมีอยู่ใน สัตบุคคลทั่วไปทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละอายังวุจตาวุโสชราดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้แหละเรียกว่าชราความแก่กตมันจาวุโสมรณงดูก่อนท่านผู้มีอายุมรณะเป็นฉนยัยความตายความตายที่เรียกกันนี้เป็นฉนยัยยาเตสังเตสังสัตาตานังตัมหิตหัมหิสัตตานิกายาจุติ การเคลื่อนไปของเหล่าสัตว์นั้นๆจากสัตตานิกายนั้นๆการเคลื่อนไปหายไปจากมนุษย์ก็เคลื่อนไปจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นสัตว์อบายบ้างเคลื่อนไปจากความเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆในโลกนั้นๆของเขาเคลื่อนออกไปอันนี้ก็เรียกว่ามรณะแปลว่าตายที่มีการเคลื่อนไปได้เพราะความตายมันเกิดขึ้นถ้าความตายไม่เกิด เขาก็ไม่มีการเคลื่อนไปเหมือนที่เรียกว่าคนตายเขาเคลื่อนจากนี้ไปได้นี่แสดงว่าการจุติมันเกิดขึ้นคือมรณะมันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อมรณะเกิดขึ้นเขาก็เคลื่อนไปได้หมาตายแมวตายอย่างนี้เบื้องหลังขึงน้นก็คือมรณะมันเกิดขึ้นเบื้องหลังมันนะครับจวันาตาการเคลื่อนไปจุติก็แปลว่าการเคลื่อนเหมือนกันจวันาตาก็ อาการที่มันเคลื่อนไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นเพโทการแตกทำลายไปอันตรธานังการหายไปมัจจุความตายมรณังก็ตายเหมือนกันกาลกิริยาการกระทากาละขันธานังเพโทรการแตกทำลายของขัน ขันที่มันแตกทำลายเป็นครั้งครั้งก็เรียกว่าความตายเหมือนกันเกลวารสานิคิโปการทอดทิ้งร่างกายเอาไว้ชีวิต ah ินดริยส ah ัอุปเฉโดการเข้าไปตัดชีวิตินสีอิดังวุจตาวุโสมรนังดูก่อนท่านผู้มีอายุอันนี้เรียกว่ามรณะนะครับนี่ชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณนะเป็นทุกข์ นะครับชาติก็คือการเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นะคือเป็นสิ่งที่ปราศจากแก่นสารไร้ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเป็นของเกิดดับเป็นของเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นและท่านก็ขยายความให้ดูว่านี่ชาติมันมีลักษณะอย่างนี้ชราอย่างนี้มรณะเป็นอย่างนี้นะครับ เราทั้งหลายก็ไปฝึกฝนให้เข้าใจให้รู้ให้มันแจ่มแจ้งต่อไปก็โสกะปริเทวะแล้วก็ทุกโทมนัสอุปายาสะนะครับแล้เวเราอ่านโสกะกับปริเทวะพร้อมกันนะครับกาะตะโมจาวุโสโสโก โ, โยโขอาวุโสัญญตรัญญาเรนะ พยาสเนนะสมัม น, นาคตัสสะอัญญตารันยตเรนะดุขธรรมเมนะพุทธัสสะโสโกโสจนาโสจิตตตังอันโตโสโกอันตโตปริโสโกอะยังวุจตาวุโสโสโก ตโมจาวุโสปริเดวโยโข อ, อาวุโสัญญตรัญญะตรีนะเบญสเนนะสัมนาคตัสสะัญญตรัญญะตรีนะลุกขะธรรมเมนะพุทธสัสสะอาเดวโอปริเดวโอาะเดวนาปริเดวนา อาเดวิตตังปาริเดวิตตังอยังวุจตาวุโสปาริเดโวนะครับตอนนี้ก็กล่าวถึงโศกกับปริเทวะซึ่งก็เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาที่มันมีเหตุก็เกิดขึ้นเหตุของมันก็คือการกระทบกับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อต้องประสบกับความพินาศบางอย่างนะครับ ซึ่งสำหรับผู้ที่เกิดมาในโลกก็มีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาจนกว่าจะเมื่อถูกโลกกระทบแล้วไม่วันไหวนั่นแหละจึงจะหายทุกไปอยู่เหนือทุกไปนะครับแต่ถ้าไม่อยู่เหนือคนเหล่านั้นก็วนเวียนไปเรื่อยๆมีโศกมาอยู่เรื่อยๆกัตโมจาวุโสโสโกดูก่อนท่านผู้มีอายุโศกเป็นชน โยโขอาวุโสัญญตรันยตเรนะพยาเนนะสมณาคตัสสะัญญตรันยตเรนะดุเขดุขธรรมเมนพุทธสโสโกความโศนะโศกะคือความเศร้าโศ ส, สำหรับบุคคลที่ถูกความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบเข้าหรือว่าประสบเข้า พยาเสนนาสมณาคตสะก็คือประสบกับความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เดิมมีเงินเงินสูญหายไปแต่เยิมสุขภาพดีสุขภาพดีนั้นสูญหายไปกลายเป็นสุขภาพไม่ดีแล้วแต่เดิมมีคนที่รักต่อมาเขาไม่รักแล้วแต่เดิมมีญาติญาติเสียแล้ว อะไรก็ว่าไปนะแต่เดิมมีตําแหน่งตําแหน่งเสียแล้วแต่เดิมมีคนชมตอนนี้เขาด่าแล้วประสบความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งอัญญตรลยัญเตระณะทุกขธรรมเมนะพุทธะหรือว่าสําหรับบุคคลผู้ถูกเหตุของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้ า, าเหตุของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าอะไรล่ะที่เป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ของท่านทุกขธรรมของท่าน บางคนก็เรื่องใหญ่บางคนก็เรื่องเล็กส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เรื่องเล็กๆมันก็เอาไปกินหมดนะแค่ข่าวการเมืองก็กลายเป็นทุกขธรรมสําสหรับท่านแล้วถูกกระทบหน่อยเดียวก็ไปแล้วโศกะเศร้าโศกทีเดียวนะมีเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆนะบางคนมีคนเขาตายอยู่นู่นซีอีกโลกที่อื่นนู่นเราก็เศร้าแล้ ว, ลวโศกะไปกับเขาอันนี้ก็เป็นทุกขธรรมสําสหรับเขานั่นเองนะอันนี้ก็พวกที่ถูก ทุกขธรรมหรือว่าธรรมะอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกนี้กระทบเอาอย่างใดอย่างหนึง่งก็เกิดโศกะได้หรือว่าประสบกับความพินาศอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วแต่นะครับพินาศเงินทองทรัพย์สินหรือว่ารถชนญาติตายอันนี้ประสบกับความพินาศอยา่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าถูกเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อันหนึ่งอันใดกระทบเข้านะบางคนก็แค่ดูทีวีก็เศร้าได้แล้วแล้วแต่เขานะ ทุกขธรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เกิดโสโกคือโศกโศจนาอาการที่โศกโศจิตตตังภาวะที่โศกอันโตโสโกความเศร้าโศกในภายในจิตใจแห้งผากที่อยู่ภายในนั้นอันโตปริโสโกความแห้งกรอบจิตใจที่เศร้าโศกเป็นนั้นมาก โดนเผารนอยู่ภายในนั้นอันนี้เรียกว่าโศกะอยังว so ุจจตาวุโสโศโกนะครับนี่สาหรับบุคคลที่เขาประสบกับเรื่องเลวร้ยรายเรื่องใดเรื่องหนึ่งความพินาศฉิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถูกสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กระทบเอาแล้วก็เกิดความเศร้าโศกขึ้นเกิดความเหืออแห้งในใจจิตใจเป็นทุกข์ขึ้นอันนี้เรียกว่าโศกะ ต่อมาปริเทวะก็มีอาการที่เลยกว่าโศกะนั้นขึ้นมาอีกก็คือเป็นการร้องไห้คร่ำครวญที่ภาษาไทยเราเรียกว่าปริเทวานาการอะไรต่างๆคร่ำครวญถึงมันกัตโมจาวุโสปริเดโวดูก่อนท่านผู้มีอายุปริเทวะเป็นฉนหนโยโข อ, อาวุโส อัญญาตารัญญตเรนะพยาสเสนนะสมนาคตตะอัญญตรลันยตเรนะทุกขธรรมเมนะพุทธะอาเดวดูก่อนท่านผู้มีอายุการร้องไห้ร้องไห้เศร้าโศกถึงนะร้องไห้เศร้าโศกถึงสำหรับบุคคลที่ถูกความพินาศฉิบหายบางอย่างหรือว่าถูกธรรมะ สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์บางอย่างกระทบเอาก็เกิดการร้องไห้ร้องไห้ถึงมันนะปริเดโวเกิดความคล่าครวนอาเดวนาอาการที่ร้องไห้นั้นปริเดวนาอาการที่คล่าครวนอาเดวิตตังภาวะของการร้องไห้ปริเดวิตตังภาวะของการคล่าครวนอายังวุจตาวุโสปริเดโว ดูก่อนท่านผู้มีอายุอันนี้เรียกว่าปริเทวะคงเคยเป็นกันอยู่แล้วนะการร้องไห้เศร้าโศกคล่ำครวญถึงเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นความพินาศผิบหายหรือว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์บางอย่างก็คล่ำครวญซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะปริเทวะนี่เป็นทุกข์คือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติ เมื่อเรายังติดข้องเมื่อสิ่งต่างๆเราติดข้องอยู่มันสูญหายไปมันพังพินาศไปแล้วก็เศร้าโศกถึงร้องไห้ถึงมันกล้ามครวนถึงมันหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่สกิดตอมทุกข์เราอะมันก็จะร้องไห้ถึงมันนะครับอันนี้เรียกว่าปริเทวะต่อไปทุกข์กับโทมนัทนะครับทุกข์ก็เป็นทุกข์ทางกายโทมนัทก็เป็น ทุกเป็นความไม่สบายทางใจอ่านพร้อมกันนะครับกตาตมันจาวุโสดุก ข, ขังยังโข อ, อาวุโสกายิกังดุก ข, ขังกายิกังอาสาตังกายสัมผัสชังดุก ข, ขังอาสาตังเวไดยตังอิดังวุจตาวุโสดุก ข, ขัง กตมัญจาวุโสโดมณัตสังยังโขอาวุโสเจตสิกังลุกขังเจตสิกังอาสาตังมโนสัมผัสสชังลุกขังอาสาตังเวเดยิตังอิดังวุจตาวุโสโดมณัตสังอีกอันหนึ่งอุปายาโส ตโมจาวุโสุปายาโสโยโขอาวุโสอัญญตรัญยัตเรนะพยเสนนะสมนาคตัสสะอัญญตรัญตเรนะลุคธรรมเมนะผุทธัสสะอายาโสุปายาโสอายาสิตตัง อุปายาสิตตังายังวุจตาวุโสอุปายาโสนะครับอันนี้กล่าวถึงทุกทางกายทุกทางกายก็เป็นทุกเหมือนกันนะเป็นทุกหมายคขาว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของบีบคั้นเป็นของปราศจากแก่นสารไม่มีตัวตนอันแท้จริงนะครับ กตมัญจาวุโสดุก ข, ขังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกเป็นไฉน ย, ยังโขอาวุโสกายกังทุก ข, ขังกายกังอสาตังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกขที่เป็นไปทางกายความไม่สบายไม่สําราญทางกายทางกายที่มันทนไม่ค่อยไหวนะ่ะมันเป็นทุกข์นะมันเจ็บมันปวดทางกายกายะสัมผัสสชังดุก ข, ขังอาสาตังเวทนิยัง ได้แก่เวทนาที่มันไม่สบายไม่ที่มันเป็นทุกข์ที่มันไม่สบายอันเกิดจากกายสัมผัสอิดังวุจตาวุโสทุก ข, ขังดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้แหละเรียกว่าทุกนะครับอันนี้ทุกทางกายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ที่ไม่สบายอันเกิดจากกายสัมผัสกายไปสัมผัสเข้า ในหน้าที่สามกตมันจาวุโสโดโมณัสสังดูก่อนท่านผู้มีอายุโธมัตเป็นไฉน ย, ยังโข อ, อาวุโสเจตสิกังทุกขังเจตสิกังอาสาตังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกทางใจที่เกิดทางใจและก็ความไม่สบายที่เกิดทางใจมโนสัมผัสชังลุกขังอาสาตังเวตยจิตัง คือความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัมผัสทางใจอิดังวุจตาวุโสโดมนัสสังดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าโท ม, มนัตต่อไปอุปายาสกะกาตะโมจาวุโสอุปายาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอุปายาสะเป็นไน โยโค อ, อาวุโสัญญตรัญญตเรนะพยาเนนะสมณาคตัสสะัญญตรัญญตเรนะดุกขธรรมเมนะพุทธะอาญาโสอาญาโสก็แปลว่าความแค้นในใจความคับใจหรือว่าความแห้งอยู่ในใจเหี่ยวอยู่ในใจในเวลาที่เรื่องต่างๆมันยาวนานมากเกินไปนอกจากโสกะปริเทวะแล้วต่อไปมัน จนคับใจคับอกแล้วจนเหี่ยวจนแห้งไปแล้วนะท่านนิยมแปลว่าคับแขนใจแต่ไม่ใช่แขนแบบว่าจะไปฆ่าเขานะหมายถึงว่ามันไม่มีทางออกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วความหมายคืออย่างนั้นนะนะมันทุกข์จนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วหาทางออกไม่ได้อันนี้เรียกว่าความคับแขนนะอาญาโสความ แห้งใจอย่างนี้ก็ได้หรือว่าความแค้นใจความคับใจสําหรับผู้ที่ถูกความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถูกเขตของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาอุปายาโสความคับแขนใจอาญาสิตตังภาวะของความแค้นใจอุปายาสิตตังภาวะของความคับแขนใจอยังวุจตาวุโส อุปายาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอันนี้เรียกว่าอุปายาสะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ก็เป็นทุกขนะครับคือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นเรื่องที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดมาเพราะความไม่เที่ยงแล้วก็หายไปเพราะความไม่เที่ยงอย่างนี้นะแต่เราอาจจะ ไม่ได้เห็นมันอย่างนั้นนะอาจจะจะตายไปเพราะมันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เราไม่เห็นอริยสัตว์เองก็ช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้นะอันนี้เราก็ต้องมาดูมาเห็นมันนะว่ามันเป็นทุกข์เป็นเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้ความหมายคืออย่างนั้นนะทีนี้อันต่อมาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดามีอะไรบ้างท่านก็ขยายความอ่านพร้อมกันนะครับ กตมันจาวุโสยำปิดฉังนะลาพติตมปิดุกขังชาติธรร ม, มานังอาวุโสสัตตานังเอวังอิจฉาอุ ป, ปั ช, ชติอะโหวตาตมะยังณชาติธรรมมาอัศมะนะานาจวัตโนชาติอาคัจฉียาติ นาโขปเนตังอิจชายะปัตตบังอิดำปิยำปิดฉังนาละพติตัมปิทุกขังชราธรรมนานังอาวุโสสัตตานังพยาธิธรรมนานังอาวุโสสัตตานังมรณะธรรมนานังอาวุโสสัตตานัง โสกะปริเดวะดุขโดมนัสุปายาสะธรรมานังอาวุโสสัตตาหนังเอวังอิจฉาอุปัชติอะโหวาตมะยังนัโสกะปริเดวะดุขโดมนัสุปายาสะธรรมาอัสามะนาจาวตาโน สโสกะปริเดวะดุขโดมานั ส, สุปายาสาอาคัตเฉ ย, ยุนติณโขปเนตังอิชายะปัตต บ, บังอิดำปิยำปิดฉังนลาพติตัมปิดุกขังกตมัญจาวุโสยำปิดฉังนะลาพติตัมปิดุกขังดูก่อนท่านผู้มีอายุ การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นชไนไยนะครับการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นไปอย่างนั้นของมันเองเป็นเรื่องกฎว่าไนแต่นะเป็นไปตามกฎของมันอะไรบ้างล่ะชาติธรรมนานังอาวุโส ส, สัตตานังเอวังอิจฉาอุปั ช, ชติความปรารถนาอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้น ดูก่อนท่านผู้มีอายุความปรารถนาอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาว่าอิจฉาแปล ว, ว่าความปรารถนาความอยากได้ท่านมีความเกิดเป็นธรรมดาท่านอาจจะปรารถนาก็ได้ปรารถนาแบบคนนี้ว่าอาโหวตมยังณชาติธรรมอาอัามะโอหนอเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ที่ไม่เกิดเป็นธรรมดา นะัจะวตาโนชาติอาคัตเฉยะชาติความเกิดไม่พึงมาถึงเราเลยเนี่ยเรามีความเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมเราอาจจะเกิดความปรารถนาว่าเออเรานี่นะควรจะไม่เกิดความเกิดนี้ไม่ควรมาถึงเราเลยนะัโขปเนตังอิจฉายะปัตต บ, บังก็แต่ว่าความปรารถนาอั น, นั้นไม่พึงเป็นไปตามที่ปรารถนา อิดำปิยำปิดฉังนราะพะติตามปิทุกขังแม้อันนี้ก็เป็นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เคยปรารถนาอย่างนี้ไหมครับเนี่ยเรามีความเกิดเป็นธรรมดานะเราอาจจะปรารถนาก็ได้ว่าเออละขอให้เราไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาชาติเนี่ยไม่ควรมาถึงเราเลยแล้วมันได้ไหมครับในการไม่ได้นี้เป็นเรื่องธรรมดานะอยากปรารถนาก็ปรารถนาไปแต่การไม่ได้นี่ มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนามันเป็นไปตามเหตุเนะี่ยถ้าไม่อยากเกิดท่านก็ต้องฝึกฝนไปตามเหตุนะฝึกฝนไปตามเหตุแต่ถ้าท่านปรารถนามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาของมันเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะปรารถนาไม่ปรารถนานี่ไม่เกี่ยวหรอกปรารถนาให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆนัินะีมันอยู่ที่เหตุต่างหากนะครับอันนี้ สำหรับสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเขาเกิดความปรารถนาว่าโอ้เราเนี่ยนะไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาความเกิดชาติเนี่ยไม่ควรมาถึงเราเลยความปรารถนานั้นก็ไม่สำเร็จตามปรารถนาอันนี้ก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์คือเป็นเรื่องธรรมดาชาราธรรมานางอาวุโสสัตตานางอันนี้ก็เหมือนกัน สัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่เป็นธรรมดาเขาอาจจะเกิดความปรารถนาว่าโอ้เรานี่นะขออย่าแก่เลยความแก่อย่ามาถึงเราเลยเป็นไงได้ปรารถนานะ่ะแต่จะได้จริงไหมเขาก็ไม่ได้สมปรารถนาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์พยาธิธรรมานังอาวุโสสัตตานังดูก่อนท่านผู้มีอายุ สำหรับสัตว์ทั้งหลายที่มีความป่วยเป็นธรรมดาเขาอาจจะปรารถนาว่าโอ้ให้เรามีสุขภาพดีตลอดขอให้มีสุขภาพแบบที่เราอวยพรปีใหม่กันเนะี่ยก็อวยไป อ, อยากอวยก็อวยไปแต่ได้ย่างที่อวยไหมโอ้โอยอันนั้นเราผิดไปไกลตั้งเลิศเกินแล้วน่ะพวกไม่รู้อริยสัตวจก็จะหลอกกันไปอย่างนี้นะหลอกกันไปเป็นปีๆก็ดีอยู่เนาะดีกว่าไม่หลอกกันนะถ้าไม่หลอกกันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยเหี่ยวแห้งตายไปเลยน่ะ ฉะนั้นเราก็มีวันหลอกๆกันเยอะแยะนะเราไม่ค่อยรักกันก็เดี๋ยววันวาเลนไทน์ก็รักกันหน่อยเนาะเออเอาเ อ, าเอาก็อยังดีกว่าไม่รักกันเลยแหละถ้าไม่รักกันซะเลยอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะอย่างนี้นี่พวกหลอกกันมันก็ต้องมีอะไรของมันอยู่ไปจนได้แหละนะครับน่ะ นี่นะครับพญาธิธรรมมานังอาวุโสสัตตานังดูก่อนท่านผู้มีอายุสาหรับสัตว์ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความป่วยไม่สบายเป็นธรรมดาความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแกเขาว่าเออเรานี่นะขออย่ามีความเจ็บไข้ให้อางกายสุขภาพดีตลอดความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลยการปรารถนาอั น, นั้นก็ไม่สามารถเป็นดังใจปรารถนาได้ อันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์มรณะธรรมนานางอาวุโสสั ต, ตานานังดูก่อนท่านผู้มีอายุสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องตายเป็นธรรมดาความปรารถนาอาจจะเกิดขึ้นกับเขาว่าโอหนอเราไม่ควรจะตายเลยความตายไม่พึงมาถึงเราเลยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าความปรารถนาของเขานั้นไม่สามารถเป็นได้ดังที่ปรารถนา อันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะธรรมนานังอาวุโสสัตตานังเอวังอิจฉาอุปัชติดูก่อนท่านผู้มีอายุสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาความปรารถนาอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นว่า อโหวตะมะยังณโสกะปริเทวะทุกขโทมนั ส, สุปายาสะธรรมมาอัามะโอหนอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีโศกะปริเทวะทุกโทมนะสุปายาสะเลยณนะจาวตะโนโสกะปริเทวะทุกโทมนะ ส, สุปายาสาอาคัดเฉยยุงโสกะปริเทวะทุกโทมนะสุปายาสะไม่พึงมาถึงเราเลยดังนี้ ณโโหะเนตังอิจฉายะปัตต บ, บงังก็แต่ว่าความปรารถนาอนั้นไม่พึงเป็นไปตามที่เขาปรารถนาอิดัมปิยัมปิดฉังนราพติตัมปิทุกขงังแม้อันนี้ก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เคยปรารถนาเยอะไหมครับอันนี้ปรารถนาทุกวันทีเดียวนะนี่สัตว์พูดมีความทุกข์ทุกข โสกะปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาเขาก็พากันปรารถนาว่าโอ้เรานี่ไม่ควรจะร้องไห้เธอไม่ควรจะร้องไห้ใช่ไหมเขาก็ว่ากันไปอย่างนี้หลอกกันไปวันๆอย่างนั้นนหะนะไม่ควรจะทุกขไม่ควรจะโธมนัสไม่ควรจะอุปายาสะทั้งๆที่เขานี่นะมีโสกะปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาเขาปรารถนาจะไม่ให้โสกะไม่ให้ ปริเทว่าไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทมนัตไม่ให้อุปายาสะเขาก็ได้ปรารถนาแล้วมันได้ไหมมันก็ไม่ได้เนี่ยการไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะแต่เขาก็ยังหลงเชื่อคนอื่นที่ว่าทําไงจะสุขตลอดอย่างนี้ใช่ไหมทำไงจะไม่ทุกข์เนี่ยเขาว่าไปอย่างนี้ซะอีกนี่มันก็พวกไม่รู้อริยศาสตร์ก็หลอกกันไปหลอกกันมาวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ นี่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายนะก็ปรารถนาจะไม่เครียดใช่ไหมแล้วเป็นไงได้ไหมไม่ได้มันก็ถูกแล้วนี่เราจะเอาอะไรอีกล่ะเออมันก็มีแต่ของถูกๆทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ของที่เป็นสัจจะเป็นความจริงไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้มันจึงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราก็หลบเลี่ยงหนีมันไปเรื่อยๆนะครับนะเราคงปรารถนาแต่สุขใช่ไมไม่อยากทุกข์ใช่ไม แล้วมันทุกข์ไม่ล่ะมันก็ทุกข์อยู่มันก็แสดงตัวของมันชัดๆอยู่แล้วว่าโอมันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับนี่นะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราก็คงปรารถนากันมานานแล้วนะถ้าปรารถนาแล้วได้มันก็คงไม่ต้องมาวนเวียนอย่างนี้อยู่หรอกนะครับฉะนั้นการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็บอกงี้นะอันนี้ท่านภาษาริบุตรก็ขยายความธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจซึ่งในสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าก็ขยายความอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่ท่านก็จำเอาไว้นะแล้วก็เอาไปฝึกฝนว่าโอ้แท้ที่จริงนี่เรามีโสกะเป็นธรรมดาแล้วจะปรารถนาว่าไม่ให้มันมีโศกะมันก็ไม่สมปรารถนาก็ถูกแล้วนี่เราต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาเครียดเป็นธรรมดาแล้ว ปรารถนาไม่ให้มันเครียดเออแล้วมันก็ยังเครียดอยู่ก็ถูกแล้วนี่เนี่ยนะนต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าไม่ยอมรับอย่างนี้ก็คงจะทุกข์จนตายแหละคนนั้นนะไม่มีทางที่จะนิวเหนือทุกข์ได้ไม่มีทางที่จะอิสระจากความทุกข์ได้นะครับนี่นะพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจออกมาแล้วใครใคก็คัดค้านไม่ได้ แต่ว่าคนที่ยังไม่เห็นนี่ก็มีเยอะมากเหลือเกินรวมทั้งเราด้วยพวกที่ยังไม่เห็นก็พากันหลบเลี่ยงพากันคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอยู่อะไรอยู่เหมือนเราเครียดเนะี่ยเรารู้สึกผิดปกติไหมผิดปกติมากอยากหายปรารถนาจะหาย <c oughs> กลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับทั้งๆที่ท่านอุตสาห์บอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะแต่เราก็ยังอยากอยู่นั่นเนะนี่ยแหก็วกันไปนะ ต่อไปท่านก็สรุปนะครับเรื่องปัญจุปาทานขันธาทุกขาอ่านพร้อมกันนะครับกะตเมจาวุโสสังขิดเตนะปัญจุปาดานักขันธาทุกขาเสยถีดังรูปูปาทานักขันโธเวทนูปาดานขันโธ สัญญาป า, านักขันโธสังขารูปานานขันโธวิญญาณูปาดานขันโธอิเมวุจจันตาวุโศ ส, สังขิตเตนะปัญจูปาดากขันธาดุกขาอิดังวุจจัตาวุโสดุกขังอริยสัจจังกตาตเมจาวุโสสังขิตเตนะ ปัญจุปาดานขันธาดุขาดูก่อนท่านผู้มีอายุอุปาทานขันทั้ง5้าขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกนั้นเป็นไฉนสังคิตเตนะก็คือโดยรวบรัดโดยรวบย่อโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วน่ะคือที่พูดมาขยายความมามันอาจจะดูเยอะดูหลากหลายเรื่องแล้วถ้าขยายออกไปอีกมันก็ ได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งไหนที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเราไปหลงยึดถือเข้าแล้วก็มีอิทธิพลต่อจิตต่อใจอันนั้นก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งหมดเลยถ้าขยายความไปแล้วมันมีที่สิ้นสุดไหมมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันมีเยอะมากมหาศาลเหลือเกนนะนินพบชาติโนนพบชาตินี้ถ้าเรียงลําดับกันมามันมากมายอันนั้นก็เอาสรุปก็แล้วกันนะสรุปรวบย่อเลยสังขิตเตนะ เราก็จําไว้เฉพาะอันนี้ก็ได้นะครับสังขิตเตนะก็แปลว่าสรุปรวบย่อรวบย่อรวบมาทั้งหมดเลยปันจุ ป, ปาดานขันธาทุกขาขันทั้ง5้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นตัวทุกนะครับเอาเฉพาะขันทั้ง5ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะเพราะว่าอันนี้เราจะฝึกฝนให้อยู่เหนือทุกข์อันไหนที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปศึกษามัน ไม่ต้องไปรับรู้มันก็ได้เอาเฉพาะอันที่มันยึดมั่นถือมั่นนี่มาเรียนรู้มาศึกษาเพื่อที่เราจะอยู่เหนือมันได้ถ้าเราไม่ยึดมั่นอันอื่นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเราไม่ได้ยึดสามีคนอื่นใช่ไหมไม่ต้องไปดูมันเลยไอ้หมอหนน่ะนะดูสามีเราเนี่ยดูให้มันเข้าใจว่าไอ้หมอนี่มันไม่เที่ยงเพราะว่าเรายึดไอ้หมอนี่เนี่ยเอาเฉพาะขันห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดก็พออันไม่ยึดเน่ยไม่เกี่ยวสร้างมันนะ และทียึดมากที่สุดคืออะไรล่ะกายกับใจของเราเองฉะนั้นคนอื่อนนี่ ï, แทบต้องสนใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้ยึดคนอื่นมากเนี่ยเรายึดตัวเราใช่ไหมที่ยึดคนอื่นก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเราทั่านั้นแหละถ้าสามาีไม่ใช่สามาีของเราเราจะยึดมันไหมจ้างเราก็ไม่ยึดมันหรอกนี่มันต้องมีไอเราเรามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละนะเราไปยึดถือโลกเพราะอะไรละ่ะมันโลกของเราเนี่ยมีของเราโผล่มาด้วยถ้าโลกของดาวหางดาวอะไรเราจะสนใจมันไหม จ้างก็ไม่สนใจมันหรอกนี่เห็นไหมเราต้องดูอันเฉพาะที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าท่านมายึดเสาตัวนี้ท่านไม่ต้องเอาเสานี่มาพิจารณาหรือว่าไปดูรายละเอียดมันหรอกเพราะว่าท่านไม่ทุกข์กับมันอยู่แล้วไม่ได้ยึดมันแต่ถ้ายึดมันเมื่อไหร่ท่านก็จะรู้ว่าอู้มันเกี่ยวเนื่องกับเราทุกทีแหละมันถึงยึดเนี่ยเนี่ยถ้าเสาบ้านเราเป็นไงปลวกชักจะอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนั่นน่ยมีเราเข้ามาโผล่เมื่อไหร่มีเรื่องทุกทีทีเดียวนั่นนะ อันนี้แหละคือทุกขนะครับปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ดีอะไรก็ดีถ้าคนอื่นปรารถนาแล้วไม่ได้เราก็อาจจะปลอบใจเขาได้ใช่ไหมเออเธออย่าร้องไห้เลยพ่อตายแต่ถ้าพ่อเราตายไปไงเนี่ยถ้ามีเกี่ยวเนื่องกับเราเราก็เสร็จทุกเรื่องนะฉะนั้นปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นของคนอื่นก็ไม่ต้องสนใจก็ได้สนใจเฉพาะส่วนที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็พอนะครับ ฉันในการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้อริยสัจอันแท้จริงนั้นจึงไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจแต่ตัวเองก็พอไม่ต้องสนใจแม้กระทั่งคนพูดด้วยเหมือนกันสนใจแต่ตัวเองว่าไปยึดถือเขาไหมถ้อยคําเขาต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อใจเราไหมเนี่ยดูแต่อย่างนี้ก็พอนะการกระทําของคนอื่นมีอิทธิพลต่อใจเราไหมนี่ดูอย่างนี้ก็พอที่มันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอันนี้นะเพราะว่าเราฝึกฝนเพื่อ อ, อิสระจาก ความทุกข์นะเพื่อทุกข์ขันธิโรธะนั่นเองอิสระจากความทุกข์นี่เราต้องเข้าใจประเด็นการศึกษาให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วเราจะหลงไปประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างนะครับศึกษาพระพุทธพจน์ก็กลายเป็นว่าพระพุทธพจน์นั้นก็มาบีบคั้นให้เรายึดถืออยู่เป็นอันมากอย่างนี้ก็มีใครพูดไม่เหมือนก็ตัวเองก็ทุกข์อยู่ทุกข์อยู่อย่างนี้นะศึกษาเราเรียนกับอาจารย์ก็เป็นลูกสมุนอาจารย์ใช่ไหมโอ้ใครว่าอาจารย์เราเป็นไง ทุกจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่ใช่อาจารย์เราเป็นไงเออมันจะเป็นไรเล่านั่นเห็นไหมอาจารย์คนอื่นโดนว่าเราสบายแล้วอาจารย์เราเป็นไงเสร็จนี่เราดูแต่ที่มันยึดถือก็พอนะครับฉะนั้นที่มันยึดถือมากที่สุดน่ยนะเกี่ยวกับเราเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าอันนั้นอันนั้น น, น่ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขสิ่งใดที่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์และแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าที่จะไปยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเรานี่ให้ดูแต่อย่างนี้ก็พอให้เกี่ยวกับตัวเองเอาไว้นะใครจะบอกว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรก็ตามใจเถิดแต่ว่าถ้าเราพ้นทุกข์ก็ใช้ได้แล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญแต่เรื่องนี้นะฉะนั้นให้ดูเฉพาะส่วนที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น เห็นไหมความรู้ปัญญาณชอบนี้จะมาลงตรงที่ว่าอย่าไปตามเห็นมันว่านั่นไม่ใช่นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเราให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากเป็นนั่นไม่ได้อยากเป็นนี่นั่นไม่ใช่อัตราตัวตนของเราเนี่จะมีเราเราโผล่มาอยู่ด้วยนะครับอันนี้แหละนะท่านเรียกว่าปัญจุปาทานขันธา คือขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอันไหนไม่ได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องเอามาพิจารณาไม่ต้องเอามามองดูไม่ต้องเอามาสังเกตเลยนะครับฉะนั้นในการฝึกฝนปฏิบัติวิปัสสนาท่านจึงให้ดูแต่ตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนเพราะว่าที่เรายึดถือมากที่สุดนี้คือตัวเราเองแล้วก็ถึงภายนอกเราจะยึดมาบ้างก็ต้องมีคําว่าเราโผล่มาด้วยมันจึงจะยึดบ้านเนี่ย ถ้าบ้านคนอื่นเราจะยึดไหมไม่ต้องมีของมีของของเราโผล่มาด้วยหรือว่าแม้แต่เป็นญาติคนห่างไกลก็ต้องมีเราโผล่มาด้วยนะในประเทศไทยเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องมีความรู้สึกอประเทศเราโผล่มาด้วยต้องมีเราโผล่มาด้วยมันจึงจะเกิดความรู้สึกได้นะครับแม้แต่กระทั่งโลกก็ของเราเนี่ยโผล่มาก่อนนี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอุ ป, ปาทานนะครับ ตัวยึดมั่นถือถือมั่นนะเศยยะทีดังได้แก่อะไรล่ะรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาสัญญูปาดานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสัญญาสังขารูปานขันโธ ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสังขารวิญญาณูปาดานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณอเมวุตจันตาวุโสสังขิตเตนะปันจุปาดานขันธาลุกขาดูก่อนท่านผู้มีอายุเหล่านี้แหละเรียกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้ เป็นทุกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมันนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปหลงยึดถือเข้าเราก็จะไม่เป็นอิสระไปจากมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาเห็นว่าเออที่เราไปยึดถือเข้านี่แท้ที่จริงความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตานะเราก็ปล่อยวางความเห็นผิดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอยู่เหนือมันได้นี่นะครับ เอาสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนี้มาเรียนรู้มาศึกษามาทำความเข้าใจมาพิจารณามามองดูนั่นเองแต่เป็นการพิจารณาดูให้เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่พิจารณาแบบนึกนึกเอาคิดคิดเอาหรือว่าเรียนเรียนเอาไม่ใช่อย่างนั้นต้องอาศัยจิตที่มีความพร้อมมีสมาธิดีแล้วก็มามองดูสังเกตดูอิดังวุจตาวุโสดุก ข, ขังอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่าทุกขาริยสัตย์นะครับนี่คงได้ความเข้าใจเรื่องของทุกขาริยาสัต์อริยาสัต์กล่าวคือทุกคือสิ่งที่มันปราศจากแก่นสารตัวตนปราศจากความเที่ยงปราศจากความสุขอันแท้จริงปราศจากตัวตนที่มันอยู่ได้อย่างเดียวๆนะอันนี้เรียกว่าตัวทุกนะครับตัวทุกมันเป็นของแปรปรวนนะ กายกับใจเราเองที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็ทำนองเดียวกันนี่แหละนะอันนี้ไปลองสังเกตดูนะครับไปลองฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะนะให้มีศีลมีสมาธิแล้วก็มองดูมองดูก็เห็นความจริงก็จะค่อยๆ อ, อ, อยู่เหนือมันได้นะอยู่เหนือมันได้ก็ไม่ทุกข์มากนักท่านั้นเองนะครับข่าวต่อไปก็มาเรียนเรื่อง ทุกขสมุทยัยทุกขะนิโรธะแล้วก็ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาต่อไปนะครับซึ่งเวลาเราเรียนเรื่องอริยสัจที่เป็นจากบาลีนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องหลงไปเรื่องโนต้ตเรื่องนี้ให้มันยุ่งยากเวลาปฏิบัติเวลาฝึกฝนก็เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับนะถ้าเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจวิธีปฏิบัติอันไหนที่สอดคล้องอย่างนี้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะจะได้ไม่ไป ยุ่งยากอะไรมากจะได้ทำความเพียรแบบมีหลักการว่าอย่างนั้นเถอะนะไม่ใช่ทำแบบไม่มีหลักการไปอะไรก็ไม่รู้ทำวนเวียนวนเวียนอยู่นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน